แล้วต่อไปก็สนทนากันในเรื่องของในคำว่าสังสารวัตนะเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องของสังสารวัตรสังสารวัตก็ดังที่ได้กล่าวถ้าพูดถึงในส่วนของสภาวธรรมถ้าในส่วนของสภาวธรรมก็หยิบเอาในบทพุทธคุณมากล่าวแล้วก็เชื่อมโยงเข้าหา เกี่ยวในเรื่องของเออคือดังที่ได้กล่าวแต่ที่แรกที่บอกว่าคําว่าสังสารวัตรนั้นเน่ยจะอธิบายคําว่าสังสารวัตได้ดีที่สุดก็คือว่าอาราหังในบทของคําว่าหักกรรมแห่งสังสารจักรในคําว่ายันเจตังสังสารจักรกังก็แปลว่าสังสารจักรนี้ สังสารจักก็คืออาวิชาและเพราะวัตันหาทั้งสองตั้งลงแล้วก็ด้วยดีในภายในและภายนอกเป็นอวัยวะที่เป็นรากเงาแห่งการหมุนไปของดุมดุมของล้อรถเพราะฉะนั้นน่ยท่านยังบอกว่ามีดุมที่สําเร็จด้วยอวิชาและเพราะวัตันหามีปุญญาพิสังขารนะปุญญาพิสังขารและเนญยาพิพิสังขารแล้วเชื่อมกับวิชาใช่ไหมแล้วก็ตันหา ตลอดถึงมีชารามรณาเป็นปัจจัยเป็นผลกับการที่เชื่อมดุมและกลงกันไว้เพราะฉะนั้นนะนะตรงนั้นก็มาสรุปอีกทีก็คือว่าปุญญาภิสังขารนะปุญญาพิสังขารนะเนรชาพิสังขาร เ, เป็นต้นนั้นเป็นก ร, รมชารามรานาณนะั้นปรากฏด้วยความเป็นที่สุดแห่งพบนั้น น, นเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าชารามรานาณั้นเป็นกงกระทําชรามรณนะนั้นให้อยู่ในฐานะอะไรให้อยู่ในฐานะเป็นกง เพามันเป็นเหตุเป็นประธานแห่งการหมุนไปของล้อก็เอาอะไรเป็นเป็นเพลาเอาอาสวะสมูทัยใช่ไหมอาสวุว่าสมูทัยเนี่ยเป็นเป็นกงเอามาแค่เป็นเป็นเพลาเป็นเพลาที่สอดเข้าไปในดุมเป็นต้นตรงนี้ก็คือท่านกล่าวขุงในรักนาบอกว่ากําจัดเนี่ยซี่กรรมแห่งสังสารวัจจ์เนี่ยนะ กำจัดซี่การเห่งสังสารละจักรตรงนี้จะได้เข้าใจคำว่าสังสารละจักเขาแปลว่าสังก็คือสังสารวัตรเนี่ยสังสารวัตก็คือการเวียนเกิดเวียนตายถ้าเรียกว่าสังสารวัตเปรียบเหมือนอะไรเปรียบสังสารวัตเหมือนอะไรก็เปรียบเหมือนบอกว่าเหมือนล้อรถที่หมุนไปโดยการกระทํโอปมาที่บอกล้อรถที่ว่านี้ประกอบไปได้วยดุมลอ้อ ดุมล้อก็เปรียบเสมือนอวิชาคือความไม่รู้แล้วก็ภาวะตัณหาก็คือความยินดีพอใจในภพชาติอันเป็นองค์ประกอบที่สําคัญโดยความเป็นมูลล่าของวัตต์นั้นๆตรงนี้มายาม้ำอีกทีซี่การที่เชื่อมกับดุมล้อกับกง เ, งเปรียบเสมือนอภิสังขารก็คือปุญญาปุญญาอเนินชาเนี่ยนะคือเป็นสภาพที่ปรุงแต่งหรือตกแต่งให้ไปเกิด กุศลก็แตกตกแต่งให้ไปเกิดในสุขติภูมิอ ย, ยู่ไหมอกุศลก็ปรุงแต่งให้ไปเกิดในทุกติภูมิอรุปกุศลก็ปรุงแต่งให้ไปเกิดในอรูปภูมิเนี่ยเป็นต้นนะนะซึ่งเชื่อมกับวิชาและเพราะว่าจะหาเข้าด้วยกันฉะนั้นส่วนกงร้อของรถนั้นเปรียบเสมือนชลาและมรณะโดยมีเพลาซึ่งเปรียบเสมือนอาสวะมีกามมาสวะเป็นต้นเนะี่ย เป็นธรรมชาติที่ทําให้วัตถทุก์นั้นเน่ยยืนยาวอย่างไม่มีกําหนดพอเพ า, พาเนี่ยมันใส่เพลาแล้วร้อมันวิ่งได้รถเหมือนกันรถมีเพาแล้วมันวิ่งไปได้กนเกรนีนเนี่ยนะมีโลภะโทสะมรณาทิฏฐิเนี่ยนะความเห็นผิดเป็นต้นเน่ะธรรมดาองค์ประกอบของล้อรถมีการเชื่อมประกอบกันอย่างนี้เขาเรียกว่าสังสารวัฏก็เช่นเดียวกันคือมีอวิชชาและตัณหาซึ่งเชื่อมกับอภิสังขารีปุน ญ, ญาภิสังขารเป็นต้นน่ย อันเป็นปัจจัยสัมพันธ์เข้าไว้กับชรามารณะเป็นผลฉะนั้นอภิสังขารคือปุญญาพิสังขารเนี่ยนะเนี่ยเป็นเหมือนสี่กำเนาะที่เชื่อมดุมเข้ากับกรงของล้อรถแล้วก็มีอาสวะเป็นพลาวสอดเข้าไปประกอบไว้ที่รถก็คือพบสามนั่นเองสอดเข้าไปปุ๊บเข้าไปอันได้แก่กาบมาพบรูปพบอรูปพบพระพุทธเจ้าก็ทํำยังไงพระพเจ้าก็ ทรงใช้พระบาทคือวิริยะของพระ อ, องค์นั้นน่ยอันเป็นไปด้วยอาการสองอย่างก็คือป้องการทำทั้งหลายที่เป็นฝักฝ่ายาความเศร้าหมองและก็ให้ตั้งลงในธรรมทั้งหลายที่เป็นฝักฝ่ความของแผ้วยืนอยู่บนปฐพีคือศีลเพราะศีลจัดเป็นธรรมที่เป็นเครื่องรองรับโดยความเป็นการเป็นปัจจัยของสมาธิและปัญญาใช่ไหมใช้พระหัตถก็คือศรัท ธ, ธาศรัท ธ, ธาก็เปรียบสเสมือนอะไรเหมือนมือในการถือเอากุศลธรรมทั้งหลายที่ปราศจากโทษ จับด้านขวานก็คือพระปัญญาอันหมายถึงมรรคปัญญาที่รับไว้ดีแล้วบนหินก็คือสมาธิแล้วก็ทําความสิ้นไปแห่งกรรมชื่อว่าทําลายซี่กรรมแม้ทั้งหมดแห่งสังสารวัจจนั้นเสียได้หนะดินแดนที่ตั้งรู้ใช่ไหมฉะนั้นพระพเจ้าจึงได้นามอาระอระในที่นั้นก็แปลว่าทําลายซี่กรรมแห่งสังสารวัจอันนี้ก็คือมาทบทวนตรงนี้ที่บอกว่า ท่านก็เลยมากล่าวในลักษณะที่บอกว่าขันทานังปฏิปาติจักทาตุอายตนะนะจะกอภโธชินนังวัตมานาสังสารโรตีปวัจตินี่มูดูก็แปลความบอกว่าลำดับแห่งขันธาตุอายตนะที่เป็นไปอยู่ไม่ขาดสายเรียกว่าสังสารเรียกว่าสงสาระเรียกว่าสงสารนี่คําว่าสังสาระคือตัวนี้ก็แปลว่าอะไรลำดับของขันลำดับของธาตุลำดับของอายตนะที่หมุนไปอยู่แล้วไม่ยอมหยุดหมุน ตรงนี้คือสังสาระแม้ในขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยกายกรรมที่เราเคลื่อนไหววจีกรรมที่เปล่งความคิดทุกอนุองความคิดที่คิดอยู่นั้นบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงสังสาระกําลังเดินอยู่มีใครเห็นไหมไหมั้ยมีใครเห็นไหมว่าตรงนี้ตอนนี้สังสาระมันกำลังเดินอยู่สัตว์โลกนั้นอยู่กันด้วยความมืดบอด ไม่เห็นการหมุนของสังสารวัตไม่เห็นหมุนโดยสภาวธรรมเมื่อไม่เห็นโดยความหมุนโดยสภาวธรรมที่จะเห็นการหมุนโดยการอูเยนไาวตายเกิดยากการเห็นการรู้ก็ไม่ใคยรู้ด้วยตาปัญญาการรู้แบบแบบไม่มีปัญญาถึงออถ้าถามบอกว่าอุเยนเนี่ย ว่ายตายเกิดเนี่ยคืออะไรกคืออะไรไอ้วียนนะบอกถึงบอกให้รู้ถึงความไม่เที่ยงแท้คงที่ของชีวิตใช่ไหคือไม่ใช่ว่าทุกชีวิตจะได้เป็นอย่างเดิมตลอดไปนะเข้าใจคาว่าวียนไหมวยนก็คือมันไม่หยุดใช่ไหม มันไม่ได้มันมันมีการหมุนเวียนเปลี่ยนย้ายไปตามเหตุที่แต่ละชีวิตได้เคยทําไว้ดังนั้นบางครั้งชีวิตก็หมุนเวียนย้ายไปในทางที่ดีอยู่ในสถานที่ดีบางครั้งก็เวียนไปหมุนไปย้ายไปอยู่ในสถานที่ไม่ดีลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าวเวียนทีนม้ถ้าเราจะมาตีความคําว่าเวียนเนี่ยตามที่ถ้ายหว่ล่ะมันนิ่งเฉยไหมดิ้นรนไหม สภาวะจิตแต่ละอย่างกันนะแก่งแย่งสแสวงหาสิ่งอำนวยความสุขอันเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตก็ว่ากันไปมันบอกว่ามันมันมันจะเวียนมันจะไหวแบบแบบคนมีปัญญาหรือว่าแบบมืดบอดตายแหะบอกให้รู้ถึงว่ามันจะต้องมีจุดติมีการเคลื่อนใช่มมีการมีการเปลี่ยนและเปลี่ยนพบแล้ว ไอจูเียก็ตายเนี่ยทั้งๆ ท, ที่ถามบอกว่าทั้งๆ ท, ที่ชีวิตเนี่ยถ้าบ่งบอกกันแล้วมันมันทันอิ่มกันไหมไม่อิ่มก็ตายแล้วมันเต็มไหมถมเต็มไหมก็ไม่เต็มเดี๋ยวก็ตายใช่ั้มเขาเราเียกวิญวะแล้วก็มาตายก็แปลว่าบางชีวิตเนี่ยไม่ได้สิ่งที่หวัง เหมือนหวังได้แต่มันไม่ได้หรอกก็สัตว์เนี่ยไม่รู้แล้วไม่ยอมรับว่าตนเองน่ะไม่รู้ไอ้ตรงเนี้ยบอดแต่ไม่ยอมรับว่าตนเองบอดมืดแต่ไม่ยอมรับว่าตนเองมืดถ้าถามบอกว่าเมื่อนอ้าจะมาบอกว่านาจะมางโง่เป็นแค่สํานวนเป็นแค่อีเดียมลึกๆจริงๆน่ะไม่ได้ยอมรับว่าตนเองโง่จริงไหม มันก็ยังมีทิศถีว่าตัวเองน่ะไม่ได้โง่หรอกแต่ปากพูดโง่โงโง่โง่ไปอย่างเงี้ยมันขนาดนั้นเลยนะเข้าใจไปอย่างเงี้ยทีนี้เกิดก็คือบอกให้รู้ถึงชีวิตน่ะมันไม่จบมันไม่จบมันไม่จบอยู่แค่เกิดแล้วมันจบแค่เกิดไหมมันก็กระเสือกกระสนต่อไปถามว่ามีใครออกจากตาหูจมูกเล่้องไงได้ ตาจะหมดจากตาหูจมูกเล่นกายใจก็ไปสวมปุ๊บเข้ากับตาหูจมูกเล่นกายใจมันเหมือนอย่างนี้เลยนะสังสารวัตรเนี่ยมันคือคุกเราดีๆเนี่ยนะมันคือคุกเราดีๆนี่แหละเกิดมาปุ๊บก็มาถูกล็อกปึ๊กอยู่เนี่ยนะ ถ, ถูกจับติดคุกอนะ่ะพอออกไปจะพบนี้ปุ๊บแล้วมันก็ไปเข้าคุกอื่นต่อปุ๊บ ัสังสารวัตรไอ้ตัววัดไอ้ตัวพบเนี่ยก็คือมันคุกท่านจะใช้คําว่ากันดารจะใช้ว่าอะไรก็ได้ก็แล้วแต่แต่นั่นแหละติดคุกนเนี่ยนั่งๆกันอยู่เนี่ยติดคุกแล้วไม่รู้ตัวนี่สิก็เหมือนไก่เราดีๆเนี่ยนะยอมมาเรียนเเห็นไก่ที่เขาใส่กงเรียเอาใส่ใส่ใส่ใสกงเดี่เอไปฆ่าไหมมันรู้ตัวไหมมันรู้ไหม มันรู้ไหมว่ามันติดคุกเวลามันเขาจะเอาไปฆ่ามันรู้ตัวไหมมันรู้ไหมมันขณนที่เขากำลังเอาไปฆ่ามันจิกตีกันอยู่เลยมนุษย์ก็คือไก่เนี่ยนิมคือไก่แล้วดีๆเนี่ยนะก็เขาจะฆ่าอยู่แล้วยังมันของแก่ของฉันกันอยู่เลยเนี่ยเขาใหญ่ยังนี่อหมมันไม่รู้ตัวจริงๆไง เอหนาไมหนาไหมหนาใช่ไหมฮะแล้วไม่ยอมถากหนาแล้วไม่ยอมถากอย่าเนี่ยนี่มันเหมือนเหมือนเหมือนไก่มันก่อนนั่งรถไปเขาก็เอาเอาวัวที่จะเข้าสู่ลงค่าสัตว์อัดนั่งกันไปแล้วมันก็ชนกันเพราะมันแย่งที่กันอย่าไม่รู้หรอกอีกไม่กี่นาทีแล้วมันจะถูกเชื้ออยู่แล้ว มนุษย์ก็อย่างนั้นแหละสังสารวัตเป็นอย่างนี้สัตว์นรกก็เป็นอย่างนี้เปรตก็เป็นอย่างงี้อสุรกายก็เป็นอย่างนี้สัตว์เดรัจฉ า, านก็เป็นอย่างนี้มนุษย์ก็เป็นอย่างนี้เทวดาก็เป็นอย่างนี้พรหมก็เป็นอย่างนี้แล้วจะไปเกิดเป็นอะไรเออแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรเขาคอยรับอยู่ยในขณะที่จุตติเนี่ยเหมือนว่าโอ้เราจะพ้นแล้วปุ๊บก็ไปติดคุกใหม่ <trajectory. S 1> ปุ๊บก็ไปติดล็อกคุกใหม่ ก็คอยรับเลยอะคอยรับมาเลยเอาไปทรมานต่อเอาไปทรมานต่อนี่ไงสังสารวัฏคิดถ้าถ้ามองมองไม่เห็นอย่างนี้นะเรามันชีวิตมันไม่ไม่ดิ้นออกเถ้ายังไม่รู้ว่าตนเองโดนแส่โดนหินหวัวเห็นหวัวหินควายเห็นหมูเห็นเป็ดไก่ต่างๆเางหินอบยัยสัตว์ทั้งหลายโดนแส่โดนไหวเนี่ย แล้วก็นึกโอ้น่าสงสารแต่ไม่รู้หรอกตนเองก็กําลังโดนแส่ดนหวายอยู่มนุษย์ไม่รู้ว่าตนเองโดนแส่ดนไหวเคยรู้ไหมว่าโดนแซ้ดนไหวทุกวันทุกในทุกในวัฏฏะทุก์ในอดีตล้วก็ไม่เห็นเนาะวัฏฏะทุกข์ที่จะเป็นในอนาคตก็ไม่รู้และในขณะเดียวกันในทุกในการแสวงหาทรัพย์ ก็ไม่รู้ตนเองกําลังถูกแท่ถูกหวก็ตกริบลุกมันจะไม่มีข้าวจะกินเนี่ยทํางานก็งองนั่นนะไม่รู้นะว่าตนเองโดนแท่โดนไหวยอยู่ก็เหมือนอาณาสมไหมก่อนเนะอามานี่เอาวัวควายนี่บนทุกเวียนนะมันไม่เดินอาณากกตีมันเนี่ยขนาตีก็กินหญ้ามันไม่เห็นทุกหรอกมันไม่เห็นทุกหรอกเอาไปเข้าไถไถนานนะไถปูู๊ปูปูอี มันก็ทํางานไปเรื other, ่อยก ere, ิ ate, นหญ้าไปเรื่อยก็ตีหลังลายตบๆไปเรื่อยนะกาไถไปสิไอคนนั้นก็โดนนะไอคนนั้นก็ทํากรรมไปเลยคนนี้กําลังไถอยู่เนี่ยก็ไม่รู้ตัวเองเขาตัวเองก็ต้องทํามาหากินใช่ไหมไอตัวนี้ก็ทํามาหากินในขณะเดียวกันทำมาหากินกำลังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ก็ไม่รู้ไอผู้อื่นถูกเบียดเบียนพกรรมของเขาเขาก็ไม่รู้เขาเองก็กําลังโมหะครอบงําเหมือนกันไอคนที่กําลังทํางานก็โมหะครอบงําเหมือนกัน มันมันไม่เห็นทุกข์กันเลยอะ่ะเขาไม่เห็นทุกข์กันเลยนะมันหมุนกันอยู่เนี้ยแล้วก็เห็นโอ้โหนี่เพมันหนาขนาดนี้เนี่ยใช่ไหมเนี่ยคื อ, ค, อคือสังสารวัตนี่คือคบได้นในสื่อจริงก็เนี่ยมาซ่อมมาดูเหมือนจะดีกันอยู่นี่แหละอีกก็ออกไหมตื่นขึ้นมาตาก็เมื่อยลอยแล้วจะไปไหนกันเนี่ยเพราะหนทางก็ไม่เห็น สิขาสามเดินในใจตอนไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมบุญเป็นวัตคามีนิกรุสนที่เป็นไปนในวัตตะกับเป็นวิวัตคามีนิกุศลที่ออกวัตจากวตตะก็ตั้งเยตนาไม่เป็นเอาเราสิตัวเนี้ยนี่เป็นอย่างงี้เนี่ยนะ่าจะถอนตนยังไงจะถอนตนออกจากวัตตะยังไงแต่เนี่ยเพราะไม่เคยคิดว่าตนเองติดวัตตะไม่เคยถ้าคนติดคกุกคิดว่าตนเองน่ยติดคกนะุกเนี่ย อันนี้เขาเรียกคนรู้ตัวเข้าใจนะแต่ถ้าคนติดคุกแล้วมันยังคิดว่าตนเองไม่ได้ติดคุกนี่เขาเรียกคนไม่รู้ตัวมันมีเรื่องเล่าเป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องต่างประเทศติดคุกมีคนคนหนึ่งเนี่ยติดคุกติดยาวนานมากนะติดตั้งแต่อายุไม่มากออกมาก็ทาผิดทำผิดโดยสรุปก็คือว่าเป็นคนติดคุกเป็นอัธยาสัยแล้ว พอติดคุกจนเป็นอัธยาัยเนี่ยผลปรากฏว่ามือคดีสุดท้ายเนี่ยผลปรกากฏตนเองติดยาวมากติดยาวก็คือว่าต้องติดคุกไม่ตามกว่าเป็นห้าสิบหกสิบปีก็ไปติดคุกเบเสต์เนี่ยตอนนั้นกว่าจะออกมาเนี่ยยุตอะไรไหมเจ็ดสิบกว่า ต, ติดอางยาวนานเลยใช่ไหมติดคุกจนมีความรู้สึกว่าคุกเนี่ยเป็นบ้านทีนี้เอาเลยที เบสิกก็คือว่าเขาจะตัดสินให้พ้นมันจะคบกกำหนดอีกแล้วอีกเดือนหนึ่งจะคุกกำหนดแกนอนไม่หลับทั้งเดือนเลยแกกลัวว่าแกจะออกจากคกุกแกกลัวว่าแกจะออกจากคกุกนอนไม่หลับจะทำไงตอนนี้ก็ทำไงเดียวก็เลยต้องมีอยู่วันหนึ่งจะบอกอีกแกออกไม่ได้ พอผู้คุมมาใกล้ๆแกก็ล็อกผู้คุมแกไปหาเหล็กแหลมมาได้อันหนึง่งเกก็จี่ผู้คุมแกจะจะจ ะ, จะต้องทำร้ายผู้คุมเพื่อแกจะได้จะได้ติดคุกต่อเขาก็ต้องเกลี้ยกล่อมบอกอย่าทำอย่างนั้นเลยเขาก็บอกว่าชีวิตของเขาเนี่ยเขาออกไปเขาจะทำอะไรเพราะนี่คือบ้านเขาซะแล้วเขา้าเขาา้าใจไหมในเล่าอยู่บางเนี้น นักเข้านักเข้าก็ เ, าเลยบอกว่าไม่ต้องกังวลหรอกเพราะว่าสารก็เข้าใจเขาติดต่อที่ทํางานไว้ให้เบ็ดเสร็จแล้วเกลียกล่อมแกเพราะเขาเห็นว่าความกระพื่อแกก็ดีในคุกเนี่ยนะคอยออกไปเหอะผลปรากฏก็เลยต้องให้ออกเบ็ดเสร็จแกก็ออกพอออกเนี่ยพอปล่อยออกจากเรือนจําเนี่ยก็เดินออกมาแกก็เดินไม่เป็นนะแกพอหลุดออกจากเรือนจํานี่ก็หลงนะ หลงไปเสร็จโอ้โหตายแล้วชีวิตแกจะอยู่ยังไงเอาหรืเปีเป็นปัญหาหนักมากเลยแกก็ถูกฝากให้เป็นทํางานที่ที่หนึ่งใช่ไหมตอนนั้นอายุต้องจะแปดสิบแล้วพอไปทํางานแกนโอ้โหแกทําทไม่เป็นเลยอ่ะงานก็ให้ทําไปเสร็จก็ไม่ต้องอะไรนะจะไปขออนุญาตเวลาจะเข้าห้องน้ําขออนุญาตเข้าห้องน้ําครับจาไหนนี่แปลก็เขาเรียกมาเนี่ยเนี่ ทุกวันเนี่คุณเนี่ยต้องขออนุญาตแม้กระทั่งเข้าห้องน้ำต่อไปไม่ต้องพูดคํานี้นะเอาละสิอึดอัดแกมากแกก็เป็นนั่งเครียดนอนไม่หลับแล้วจะทํายังไงทางเข้าทางเข้าแกก็แกบอกอึดอัดเนี่ยแเขียนระบายไว้หมดเลยนะก็ <c oughs> ะชีวิตแกเนี่ยถ้าไม่ได้ไปขออนุญาตใครแกเข้าห้องแค่เข้าห้องน้ำเนี่ยแกถ่ายไม่ออกก็อยู่ในนั้นมันจะต้องมีรกติกาใช่ไหมจะทําอะไรต้องขออนุญาตหมดเลยอะ เ็นไหมแค่เนี้ยผลปรากฏในที่สุดจริงๆกะอยู่เขาไม่ได้แล้วก็แฝนตอกคอตายแล้วก็เขียนไว้ว่าชีวิตแกใช้ไม่ได้แกอยู่ข้างนอกไม่ได้แล้วฆ่าตัวาาตวายนี่ไงต้องการอยากจะบ่งบอกว่าสังสารวัฏเนี่ยมันไม่เป็นคุกในความรู้สึกของสัตว์โลกเสีแล้วนี่เหมือนชายคนนี้ย มันแต่จะออกจากสังสารวัตรเนี่ยออกไม่เป็นเธอแล้วทาําไงมันออกไม่ได้แล้วแล้วจะทำยังไงออกไปก็ตายอย่างเดียวเลยเนี่ยเพราะกลัวอะไรกลัวการออกจากสังสารวัดนี่สําคัญมากใช่ไหมเราจะเขียนสังสารวัตรเนี่ยถามว่าไอ้คนประเภทนี้มันเยอะอ่ไม่ใจะเขียนให้ใครอ่านสมมุติเนี่ยนะต้องตั้งธงแล้วเราจะเขียนให้ใครอ่าน มองเห็นยังเพราะสัตว์โลกนั้นไม่เข้าใจว่าตนเองติดค <throughout S 1> <t> ุกและเมื่อเข้าใจว่าตนเองจิตคุกที่ไม่อยากออกจากคุกก็เยอะเพราะสำคัญว่าที่อยู่เนี่ยมันไม่ใช่คุกเอาเข้าใจว่าเป็นคุกไหมเอางี้ที่บอกรู้เยอะแยะหมดเดียวว่าเข้าใจมันเป็นคุกไหมทั้งสารวัตรเนี่ย อันนี้พูดจริงๆคุณพัดเขนว่าเป็นโค้กไหมความรู้สึกจริงๆเลยนะพูดถึงความรู้สึกจริงๆเลยเนะนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ยังคนติด ถ้าไม่รู้คิดหรือว่าจะออกจริงอองั้นถ้าคนที่เขา<ม>ถ้าคนที่เขาสําคัญว่าเขาติดคุกจริงๆเนี่ยเขาอยากออกจริงๆเราไปถามคนติดโคกดิเขาอยากออกทุกวันแล้วเราเคยคิดทุกวันไหมว่าเราอยากออกเพราะโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยท่านคิดทุกวันท่าน <s> <c oughs> คิดทุกวัน <c oughs> วเห็น <c oughs> <ๆ>ไหมทุ่งผอกว่ามาทึงต้องการชี้ออกว่าหนึ่ง เอาตั้งแต่ผู้เขียนใช่ไหม เ, เอาตั้งแต่ผู้เขียนลงไปอ่ะผู้ที่จะเขียนเรื่องนี้ยที่จะเขียนได้ดีที่สุดผู้นั้นต้องมีความสําคัญว่าตนเองนั้นติดคุกจริงเอา ต, ตัผู้เขียนเพราะถ้าผู้เขียนยังเสพเสพคําสังสารวัตรไม่ชัดเนี่ยจะสื่อสังสารวัตรออกมาได้อย่างไรเข้าใจไหมเนี่ย เหมือนถ้าอธรมาจะกล่าวพระธรรมเนี่ยถ้าอธรมานในใจไม่มีเลยเนี่ยไม่มีพระธรรมเลยอธรรมเอาอะไรมากล่าวอธรรมเอาอะไรมากล่าวถ้าอธรมาไม่เหมือนไฟเผาอรารรมมาอยู่เนี่ยอธรรมาจะร้อนลนเพราะสังสารวัตรล้นลงลนร้นเพรถูกไฟไหมใช่ไหมล้นเพราะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะร้อนเพราะชาติชรามราณาสโสกัปติเดวะทุกขโทมนะสารเลวบายะไฟสิบเอ็ดกองเนี่ยมันเสมอเหมือนมันเผาอยู่ตลอดเวลาไหม αι? ท่านเผาอยู่ตุลาในใจมันอยากออกแล้วมันเห็นอย่างนั้นไหมละ่ะในใจจริงๆเนี่ยมันได้สัมผัสถึงขนาดนั้นละ่ะสังสารวัตเนี่ยเป็นภัยเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นสิ่งที่ต้องเดินออกให้ได้คิดทุกวันไม่ต้องไม่ใช่วันวันละหนึ่งครั้งไม่ต้องปวดถึงกลุ่มปอะ ไอ้เนี่ยเนี่เนยคื ป, ปัญหาคือว่ า, ออาเข้าใจเข า, ขเขาปัญหาคืออยู่ตรงไหนรู้ไหมอย่าไปใช้คําว่าเหมือนต้องใช้คําว่าเราเนี่ติดคกุกติดคุกคือสังสารวัอตรเออเช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือ น, นอ เ, เออติดคกดดุ ก, กคเออเราติดคกุกคุกคือสังสารวัตเลยคุกคือสังสารวัตร แล้วมันมีสูตรใช่ไหมมันมีอยู่สูตรหนึ่งที่บอกว่าการเกิดก็คือการติดคุกล้วแตก็เพิ่งถูกก็ใชคคค่คืออย่างนี้นะว่าตอนนี้ก็ถูกติดคุกนะใช่ไหมพอพอมันพ้นจากคดีนี้เหนะมือนตายอ่ะแต่เรามีคดีอยู่อีกไม่รู้กี่ล้านเขาก็รับเขาอีกคุกหนึ่งนะรับเขาอีกคุกหนึ่งรับเขาอีกคุกหนึ่งไปเรื่อยเรยเนี่ยนะ ตอนนั้นพระพุทธเจ้าไปบินนาบาตพร้อมได้พิกสูตสงฆ์มาตำสูตรไม่ได้เลยเนาะไปคนดูพอไปเบสเสร็จก็เจอคนถูกทันธนาการด้วยโซ่ตรวนเพราะทำผิดเข้าลากไปพระก็บอกว่าโอ้โหน่ากรูนามากที่เขาต้องถูกทันธนาการด้วยห่วงด้วยบ่วง ด, วด้วยเครื่องรัดด้วยเครื่อง ด้เครื่องด้ยเครื่องก็จองจําจะเครื่องจองจําอย่างนั้นพุทธเจ้าก็บอกว่าดูก่อนวิกษุทั้งหลายเครื่องจองจอํามันนั้นนะดูเหมือนจะแน่นหนาะแต่หลวงตถาคตเนี่ยในพระธรรมวินัยไม่เรียกว่าเครื่องจองจําแต่สังสารวัตรเนี่ยมันเป็นเครื่องจองจำเลยไอ้สังสารวัตเนี่ยมันเครื่องจองจําเลยเพราะว่ามันมันออกไม่ได้ไอ้ติดคุกอย่างนั้นไม่ออกได้ ใช่มันก็ยังไปติดโค้กมันแล้วก็ออกแล้วก็ออกใช่ไหมแต่สังสารวัตรเนี่ยจะออกอยังไงนี่คือเป็นขั้งจองจําที่หนักกว่า น, นั้นอีกเอาเลยสิตัวเนี้เห็นไหมเ น, นี่ยจะเห็นชัดเลยว่านี่ไงเนี่ยเนี่ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยต้งบอกว่าความไม่รู้สึกเอางี้โอมาห น, นึ่งนะคนที่เป็นโรคมะเร็ง รู้ตัวว่าเป็นโรคมะเร็งก็เป็นโรคมะเร็งก็ไม่รู้ตัวคนเป็นโรคมะเร็งแล้วรู้ตัวก็เหมือนกับคนที่ติดคุกแลรู้ตัวว่าติดคนที่เป็นไม่เป็นโรคมะเร็งแต่ไม่รู้ตัวตนเองเป็นโรคมะเร็งก็เหมือนคนที่ติดคุกและไม่รู้ว่าติดคุกเหมือนกันเลยเนี่ยและมันยังมีคนที่บอกว่าถึงตนเองเป็นโรคมะเร็งอย่าบอกนะว่าตนเองเป็นเพราะไม่อยากจะทุกข์ เนี่ยงไงคนก็เลยไม่กล้ารับความจริงคําว่าตนเองติดคุก ข, ของสังวาสสารวัตรอยใช่ไหมถ้าจะมานั่งคุยกันจริงจริงมาแยกแยะ ก, กันจริงๆริเพื่อจะมาใส่ใจจริงๆว่าตนเองน่ยแย่แล้วไม่เอาหรอกตัณหาก็เกี่ยกรมือคิดอะไรไม่เพื่อนๆดีกว่าโมหะก็ปกปิดทําให้ไม่เห็นใช่ไหมเอางี้ สัตว์เนี่ยถ้าเราบอกว่าถ้าคุยเรื่องกรมมาคุณเนี่ยพวกเราจะตื่นกันหมดเลยนี่เนี่ยคุยเนี่ยเอาลองเปลี่ยนเรื่องคุยดิจริงไหมยยอมเมรีจริงหรือเปล่าถ้าคุยเรื่องการมาคุณเนี่ยมันจะตื่นเต้นขึ้นมาทันทีเลยแต่ถ้าต้องคุยเรื่องพระธรรมคําคสอนมันจะหลับเลยจริงไหมนั้นบ่งบอกถึงอะไรอ่ะบ่งบอกถึงว่าจริงๆแล้วใจเรานะั้นน้อมไปในเนคขมมะหรือ น, น้อมไปในคาม เดี๋ยวตรงนี้จะเห็นนะเอาลองลองลองลองตั้งหัวข้อเรื่องใหม่ดิสมมติว่าจะยิ้เรื่องเรื่องประวัติเรื่องกรมมคุณเรื่องอะไรต่างๆเอามานั่งคุยมันจะตื่นเต้นขึ้นมาเลยใช่ไหมเป็นไหมเอาเรื่องเไปเที่ยวเราเปลี่ยนเรื่องดูดิเรื่องไปเที่ยวใช่ไหมันจะตื่นเต้นนั่นดีนะเรื่องไปเที่ยวไหนก็เรื่องกรรมคุณนั่นแหละเรื่องกรรมคุณนั่นแหละ มันมันจะรู้สึกว่าโอ้โหหายม่งเลยใช่ไหมแต่ต้องคุยธรรมะที่มันจะท า, า, า, าทา่างงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงเราจะได้เห็นว่าโองงงงงางงงงงงงงงงยงังเง็ น, นงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงโองงงงนงงนงงงงงอยงงงย่าแปลกใจว่าทําไมเวลางงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงางงงงงงงงง เพราะเรารู้ว่าสัตว์เขากำลังลาบไหลนั่นนั่นก็เป็นอีกเอ่อเป็นป่าเป็นป่าตรงนี้คือมาปราบโลภธรรมใช่ไหมทีนี้ในคำสอน กรณีของชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่บอกเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเนาะในสูตรที่เรามาเมื่อวานนี้ที่พระพุทธเจ้าประทับที่เชตวั น, นยช่ไมมพิกษูรูปหนึ่งก็เข้าไปทูลถามพระบรมศาสดาแล้วเนี่ยบอกถามบอกว่าเวลาหนึ่งกับนานเท่าไหรหนอแล้นไหมในสังยุทธ์พระองค์ตัดตอบว่ากับหนึ่งนานนักหนานไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะนับเวลา ว่าเท่านั้นปีเท่านี้ร้อยปีเท่านี้พันเท่านี้แสนปีพ้าก็ถามว่าพระองค์สามารถจะอุปมาได้ไหมพระพุทธเจ้ า, าพระพุทธเจ้าก็ว่าสามารถจะอุปมาได้ภิกษุเปรียบเสมือนนครหนึ่งที่สร้างกำแพงด้วยเหล็กมีความยาวหนึ่งโยศกว้างหนึ่งโยศสูงหนึ่งโยศเต็มไปได้วยเมล็ดพันธุ์ประกาศรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนบุตนั้นก็หยิบเอามาเล็พันุ์ประกาศออกจากนครนั้นร้อปีนะของมนุษย์ต่อหนึ่งมเมล็ด เม็ดผักกาดกองใหญ่เพียงเท่านั้นพึ่งความหมดสิ้นไปด้วยความพยายามอย่างนี้ยังเร็วกว่าส่วนกลับหนึ่งยังไม่สิ้นไปเลยกับหนึ่งนานนักหนาอย่างนี้บรรดากับที่นานนักหนาอย่างนี้เธอได้ท่องเที่ยวไปเกิดในภพภูมิต่างๆไม่ใช่เพิ่งผ่านมาเพียงกับเดียวไม่ใช่ร้อยกับไม่ใช่พันกับไม่ใช่แสนกลับข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสังสา ร, สสารเนี่ย การเวียนไหวาตายเกิดนี้เห็นไหมสังสาระนี่ก็แปลว่าทั้งเขติมาสังสารแล้วมชิมาสังสาระอุปริมาสังสาระเข้าใจไหมคเนี้ยเหติมาสังสาระก็คือว่าสังสาระในส่วนเบื้องต่ําในใบยภูมิเสียมชิมาสังสาระก็คือมนุษย์และสวรรค์ทั้งหลายเป็นต้นอุปริมาสังสาระก็คือพรมอรูปพรม<อ>การหมุนใน มีในในการมาภูมิเบื้องต่ำในมัชชิมะภูมิเบื้องกลางแล้วก็อุปริมาภูมิก็คือภูมิเบื้องสูงเนี่ยที่มันไม่ออกเน่ะในสามสิอดภูมิเนี่ยเรียก<ม>สังสาระ<ม>เหติมะเหติมะสังสาระเห็นไหมก็คือนั่นคือสงสารสังสารสงสารตอนนี้ก็คือสังสารวัตที่เรามาพูดกัน พูดกันภาษาไทยก็คือการเวียนไหวตายเกิดทีนี้พอพูดถึงสภาวะธรรมก็คือขณะจิตหนึ่งหนึ่งก็มีสังสาระในนั้นพูดถึงลำดับแพ่งการเกิดสืบ ต, ต่อติดก่อนก็คือขันใช่ไหมขันธาตุอายทนะที่เกิดสืบต่อกันโดยไม่ขาดสายที่เป็นไปในตะวันตาห ง, งหูยมูกดินกายใจตอนนี้มันมั น, ม, นมันเดินตลอดแล้วมันไม่อยู่เดินน่ะมนุษย์เนี่ยเป็นพันนมตะ สัตว์โลกในเป็นพันธอมตะเข้าใจพันอมตะไหมมันไม่ตายอ่ะเอาดิมันไม่ยอมมันไม่ยอมปรินิพานเอาข้าวไม่ตายอ่ะก็ใช่ถ้ามองอย่างนั้น ใช่ไหมตรงนั้นนะ่ะนะถึงถึงบอกว่าให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านถึงบอกว่าสงสารเนี่ยการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยหาเบื้องต้นและเบื้องปลายบุคคลรู้ไม่ได้ไม่ปรากฏแกเหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชากีดขวางถูกตัณหาผูกไว้งั้นการวงการวนเวียนท่องเที่ยวของพวกเธอได้เสวยทุกเสวยชาติทุกชราทุกมรณะทุก สวยความโศกความล่ำลายลําพันความไม่สบายกายไม่สบายใจความขับแคสใจมาอย่างยาวนานความพินาศได้เพิ่มพูนปจัจพีเป็นป่าช้าตลอดกาลนานเช่อไหมพนิ พ, พาอยรูปหนึ่งเนี่ยท่านอาดินมาพิจารณาเป็นอัธิกากรรมฐานเพราะท่านตายมาเพื้นแผ่นดินเนี่ยกระดูกของท่านอย่งนั้นท่านเห็นเป็นกระดูกของตัวเองหมดเนี่ยแล้วบรรลุได้เลยอเอาสิมีไมเอาเหยียบไปบนบกกองแผ่นดินนี้เหยียบบนกระดูกพ่อแม่ปุ ย, ย่าตาใหญ อ๋ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นฉะนั้นในขณะที่เราเดินไปบนกระดูกพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยหนึ่งเหยียบไปบนกระดูกของตนเองนี่เนี่ยนั่งอยู่บนกองกระดูกตนเองเราเคยสะทกสถานขนาดนั้นไหมว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ใที่เรานั่งกันอยู่นี่คือกองกระดูกคือกองกระดูกของเราเองแล้วกองกระดูกของปู่ย่าตายายของพ่อแม่ น, น, น, นี่เนี่ยมาเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นหนังสือนี่คือกระดูกของพ่อของแม่ฉะนั้นถ้าหากว่าเห็นจริงๆเนี่ย น, น่าร้องไห้ใช่ไหมที่เดินเหยียบกระยองกระยองกันไปเนี่ยนั่นแหละกระดูกของเราเรามาทิ้งร่างไว้เต็ไมไปหมดแล้วตายไปแล้วเป็นดินไหมเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมไหมแล้วกลับมาตายอีกใหม่ไหมกลับมาตายอีกไหม่ไหมไม่ใช่กลับนึง ไม่ใช่สิไม่ใช่ร้อยไม่ใช่พันไม่ใช่แสนไม่ใ ช, 100, ไใ ช, 100, ไใช่ไม่ใช่โกรธกับนั้นมากกว่านั้นบางทีเดียทิ้งแต่ละชาตินึ้งเท่าไหร่เอากระดูกเราทั้งนั้นแต่สัตว์โลกมองไม่เห็นเป็นกระดูกใช่ไหมเอาที่ลองไปนั่งหยิบดินขึ้นมาดูที่นั่นกระดูกปู่ย่าตายายแต่นี้กลายเป็นหินหมดแล้วไม่ทําบุญให้ปู่ย่าตายายแล้วก็ดูกแกบไว้ อันนั้นยังไม่ไม่ครบจำนวนหรอกแต่จะครบจริงๆกันั่นแหละแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยอุทิศ ป, ป่ะปู่ย่าตายายเราทั้งนั้นเยอะตายไปแล้วกลายเป็นกระดูกตายไปแล้วกลายเป็นกระดูกเป็นดินหนาใบรมเนี่ยบางทีเราก็กระดูกปู่ย่าตายายเรามาประดับคอเป็นเพชรนานจัดกลายเป็นหินใช่ไหมเอาไปโชว์ได้ด้วยนี่ไงสวยงามใช่ไม เลยเป็นการอวดรวยสิอวดสวยอีกถ้าพูดกันให้ถูกกันนี่ไงกระดูกของปู่ย่าตายายชันสวยไหมนี่กระดูกของฉันก็อยู่ในนี้แหละเมื่อแสนกับหลายแสนกลับที่แล้วเดี๋ยวนี้กลายเป็นเพชรไปซะแล้วคนกันนับถือบูชากันนั่นแล้วคนกับไม่สลดสังเวชใจกับกระดูกเม็ดนี้ที่ใส่ผูกให้คนดูมองเห็นใช่ไหมอย่างเงี้ยอย่างนี้เห็นไหมแล้วเราสะดุ้งไหมเนี่ยเฉยเฉยเห็นไหมเนี่ยมันเฉยเฉยอยู่เลยอ๋อ เพราะเราลึกๆจริงๆเราไม่เชื่อเพราะทั้งๆที่เป็นอย่างนั้นจริงๆที่ท่านบอกว่าท่านถึงบอกว่าการร้องไห้กันมานานขณะที่เวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่ชีวิตจะมีแต่ความสุขราบเรียบตลอดไปแท้่จริงต้องประสบกับความทุกข์ตลอดเวลาเนาะสมัยหนึ่งพระเจ้วาวัฒน์ที่เชตวันใช่ไหมพระก็ไปถามบอกสงสารนี้อันนี้เรื่องสงสารทั้งนั้นเลยเนี่ยเรื่องสังสาราทั้งนั้นเลยว่า อันนี้นแหละนั่นพีคำสั่งยุตินั่นแหละบอกว่าหาเบื้องต้นและที่ปลายเออเบื้องปลายอันบุคคลรู้ไม่ได้สาที่ถูกอาวิชากี่ขวางตั้หาผูกไว้ก็ท่องเที่ยวเวียนว่ายไปตายเกิดเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อ น, นั้นอย่างไรน้ําตาที่ลังไหลของสัตว์ทั้งหลายผู้เวียนว่ายตายเกิดค่ําครวญร้องไห้อยู่ประสบสิ่งที่ไม่น่าพอใจแล้วก็พลัดพลาดจากของรักของชอบใจเนี้ยกับน้ำแม่สมุดหมาสมุดทั้งสี่เนี่ยนะอย่างไหนจะมากกว่ากันถามพระ ข้าก็บอกข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ทำตามที่พระองค์ได้แสดงแล้วน้ําที่หลั่งไหลของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้เย็นไหวตายเกิดข่ําควรวญร้องไห้อยู่ประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจพลาดภาคจากของรักของทอบใจเนี่ยมากกว่าน้ําในมหาสมุทรน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากเลยพระพุทธเจ้าค้าคือพระเนี่ยท่านเชื่อพุทธพจน์เชื่อพระพุทธเจ้าท่านก็ตอบตรงนี้ถามว่าเราเชื่อไหม ในใจเราเนี่ยพอฟังอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเอาเชื่อไหมไม่แล้วเชื่อแล้วยังไง <c ười> แล้วยังร้องเยอะกว่าแก่เนี่ย <c ười> ปัญหาคือว่าเมื่อลองให้การที่เราลองให้อย่างนี้เบดเสร็จแล้วเนี่ยแล้วแล้วถ้าเรามีความเข้าใจว่าน้ำที่มันไหลออกจากตาเราเนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรแล้วเราคิดอะไรต่อทีนี้พอถึงคำนี้แล้วเนี่ยไม่เราคิดยังไงต่อ